หติสารีปุตตสูตรว่าด้วยท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤรคไทยวันเข ค, ครุงพรารณสีสมัยนั้นแลภิกษุเทระจํานวนมากกลับจากเบนทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมสนทนาอภิธรรมมกถาอยู่ในโรงฉันทราบว่า ในที่ประชุมนั้นเมื่อพิสษุผู้เป็นเทระกําลังสนทนาะอภิธรรมมกถากันอยู่ท่านพระจิตตหัถิสารีบุตรก็พูดสอดขึ้นในระหว่างลำดับนั้นท่านพระมหาโกธิกะได้กล่าวกับท่านพระจิตตหัถิสารีบุตรว่าเมื่อพิสษุผู้เป็นเทระกําลังสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ท่านจิตตหัถิสารีบุตรพูดสอดขึ้นในระหว่าง ขอให้ท่านจิตตะหัตถิสารีบุตรรอคอยจนกว่าภิกษุผู้เป็นเถระจะสนทนากันจบเมื่อท่านพระมหาโกธิกะกล่าวอย่างนี้แล้วพวกภิกษุผู้เป็นสหายของท่านพระจิตตะหัตถิสารีบุตรได้กล่าวกับท่านมหาโกติกะว่าแม้ท่านพระมหาโกติกะก็อย่ารุกรานท่านจิตตะหัตถิสารีบุตรเพราะท่านจิตตะหัตถิสารีบุตรเป็นบัณฑิต และท่านสามารถกล่าวอภิธรรมมกถากับภิกษุผู้เป็นเทระได้ท่านพระมหาโกฏิกะได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ทราบวาระจิตของผู้อื่นพึงรู้ข้อนี้ได้ยากคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ส ง, งบสงเงียมอ่อนน้อมเรียบร้อยตลอดเวลาที่ยังอาศัยพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารี ผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่เมื่อใดเขาหลีกไปจากพระาศาสดาหลีกไปจากเพื่อนรภมจารีซึ่งดำรงอยู่ในฐานะครูเมื่อนั้นเขาคุกคลีอยู่กับเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการพระราชามหาอัมมาของพระราชาเีรทถีและสาวกของเีรทถีเมื่อเขาคุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ ชอบโอ้อวดราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนโคที่เคยกินข้าวกล้าถูกเขาผูกไว้ได้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกผู้ใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้โคตัวที่เคยกินข้าวกล้านี้จะไม่ลงกินข้าวกล้าอีกผู้นั้นชื่อว่า กล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่โคที่เคยกินข้าวกล้าตัวนั้นพึงดึงเชือกขาดหรือแหกคอกแล้วลวงไปกินข้าวกล้าอีกฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สงบสงี่ยมอ่อนน้อมเรียบร้อยตลอดเวลาที่ยังอาศัยพระาศาสดา หรือเพื่อนโพรมจารีผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่เมื่อใดเขาหลีกไปจากพระศ า, าสดาหลีกไปจากเพื่อนโพรมจารีซึ่งดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูเมื่อนั้นเขาคลุกคลีอยู่กับเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการพระราชามหาอัมมาของพระราชาเดียรทีและสาวกของเดียรธีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบโอ้อวดราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัส 2. สบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขากล่าวว่าเราได้ปฐมฌาน แต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุและถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดผู้มีอายุทั้งหลายปรีบเหมือนฝนลูกเห็บตกที่ทางใหญ่สีแพร่งพึงทําฝนให้หายไปปรากฏเป็นทางลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ฝุนจักไม่ปรากฏที่ทางใหญ่สีแพร่งนอนท์อีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือ ผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่มนุษย์โครหรือสัตว์เลี้ยงพึงเห ย, ยบน้ำที่ทางใหญ่สี่แพร่งโน้นหรือลมและแดดพึงแผดเผาให้แห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นฝุนก็พึงปรากฏอีกได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขากล่าวว่าเราได้ปฐมฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกพิสุและถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัส 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะวิตกวิจาร์สงบ ร, งระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เขากล่าวว่าเราได้ทุติยชาญแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุและถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนลูกเห็บตกลงที่บึงใหญ่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมพึงยังหอยโ่งหอยกาบก้อนกรวด และกระเบื้องถ้วยให้หมดไปผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ห้อยโคงห้อยกาบก้อนโกรดและกระเบื้องถ้วยจกไม่ปรากฏในบึงโน้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อ น, นี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่มนุษย์โคและสัตว์เลี้ยงพึงเดิมน้ำในบึงโน้นหรือลมแดดพึงแผดเผาให้แห้งไป เมื่อเป็นเช่นนั้นห้อยโค่งห้อยกาบก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยก็พึงปรากฏได้อีกชั้นใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะวิตกวิจาร์สงบรงงะงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์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 บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีโอเบคามีสติอยู่เป็นสุขเขากล่าวว่าเราได้ตติยฌานแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกวิกสุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัตผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนอาหารที่ค้างคืนไม่พึงยังบุรุษผู้ชอบบริโภคอาหารที่ปราณีตให้ยินดีได้ ผู้ใดพึ้งกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้บุรุษโน้นจะไม่ชอบใจอาหารอีกแน่ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่อาหารอื่นจกไม่ยังบุรุษโน้นผู้ชอบบริโภคอาหารที่ปราณีตให้ยินดีได้ตลอดเวลาที่รสอาหารนั้นจกดำรงอยู่ในร่างกายของเขา แต่เมื่อใดรถอาหารนั้นจักหมดไปเมื่อนั้นอาหารนั้นก็พึงย่างเขาให้ยินดีอีกได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรนเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข เขากล่าวว่าเราได้ตติยฌานแต่คลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุและถึงย่อมบอกคืนสิ ข, ขากลับมาเป็นครหัส 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัดับไปก่อนแล้วบรรลุจจตุถชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระเวขาอยู่เขากล่าวว่าเราได้จตุถชฌาน แต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุละถึงย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดผู้มีอายุเปรียบเหมือนห้วงน้ําใกล้ภูเขาไม่มีลมปราศจากคลื่นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบาัดนี้คลื่นจะไม่ปรากฏที่ห้วงน้ําโน้อนอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นไปได้ที่ลมฝนอันแรงกล้าพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทําให้เกิดคลื่นที่ห่วงน้ํานั้นลมฝนที่พัดมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็พึงทําให้เกิดคลื่นที่ห่วงน้ํานั้นได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดดบไปก่อนแล้ว บรรลุเจตุธชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจตุธชาญแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัส 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะไม่มนัสการถึงนิมิต ท, ทั้งปวงจึงบรรลุเจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตอยู่เขากล่าวว่า เราได้เจโตสมาธิที่ไม่มีนิมิตแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาพวกเดรธีสาวกของเดรธีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคะจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัต ผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอ ม, มาตย์ของพระราชายกกองทัพสี่เหล่าเดินทางไกลไปพักแรมอยู่ที่แนวป่าแห่งหนึ่งในแนวป่านั้นเสียงจ้า ก, กระจาดเรไรพึงเงียบไปเพราะเสียงช้างเสียงมา้าเสียงรถเสียงพลเดินเท้าเสียงกึกก้องแห่งกลองบันดอสังและผินผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัดนี้ เสียงจ้ากระจรเรไรจะไม่ปรากฏที่แนวป่าโน้นอีกผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกต้องหรือผู้มีอายุข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นไปได้ที่เมื่อใดพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเสด็จหลิกไปจากแนวป่านั้นเมื่อนั้นเสียงจ้ากระจรเรไรก็พึงปรากฏอีกได้ฉันใดผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะไม่มนัสการถึงนิมิต ท, ทั้งปวงบรรลุเจโตสมาธิอยู่เขากล่าวว่าเราได้เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตแต่ยังคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาทของพระราชาพวกเดรถีสาวกของเดรถีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ปล่อยจิต ไม่สำรวมอินทรีย์ชอบพูดคุยราคาจึงรบกวนจิตเขาเขาถูกราคะรบกวนจิตแล้วย่อมบอกคืนสนกขากลับมาเป็นครรหัดท่านพระมหาโกธิกะกำหนดรู้ใจบุรุษชื่อจิตตหัติสาเรบุตรด้วยใจว่าบุรุษชื่อจิตตหัติสาเรบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัตเหล่านี้เหล่านี้และจากบอกคินสนกขากลับมาเป็นครหัด หรือเทวดาทั้งหลายแจ้งเนื้อความนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบุรุษชื่อว่าจิตตหัติสารีบุตรเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้เหล่านี้และจักบอคืนสิกขากลับมาเป็นเคราะห์ท่านพระมหาโกธิกะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเขาพเจ้าได้กําหนดรู้ใจบุรุษชื่อว่าจิตตหัติสารีบุตรด้วยใจว่าเป็นผู้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้เหล่านี้ และจากบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดแม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าลำดับนั้นผู้ภิกษุผู้เป็นสหายของบุรุษชื่อจิตตหัติสารีบุตรได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษชื่อจิตตหัติสารีบุตร เป็นผู้ได้วิหารสมาบัตเหล่านี้เหล่านี้และได้บอกคืนสึกขากลับมาเป็นครหัดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่นานนักบุรุษชื่อจิตตหัติสารีบุตรจะระลึกถึงคุณแห่งเนือ้อขมมะได้ต่อมาไม่นานนักจิตตหัติสารีบุตรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต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 อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจเอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระจิตตหัติสารีบุตรได้เป็นพระอรหันตองหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายหัธิสารีบุตรสูตรที่หจบ มัชเชสูว่าด้วยส่วน่้ำกลางข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมรุกขายวันเขครุงพารณสีสมัยนั้นแหลเมื่อภิกษุเทระจำนวนมากกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่โรงฉันได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่า ผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในติสะเมตยะปัญหานิเทศปารยณะวักว่าผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท้ำกลางด้วยมันตาเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้เมื่อภิกษุทั้งหลายถามกันอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลายส่วนสุดด้านหนึ่งคืออะไรส่วนสุดอีกด้านหนึ่งคืออะไรท่ามกลางคืออะไรเครื่องร้อยรัดคืออะไรภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายภัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับภัสสะอยู่ท่ามกลาง ตันหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตันหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดผัสสะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรม ท, ที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายอดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งปัจจุบันอยู่ท่ามกลางตันหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตันหาย่อมร้อยรัดอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่า รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างน pues cool ี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งทุกเวทนาเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่ง ทุกขมสุขเวทนาอยู่ท่้ำกลางตันหาจะเป็นเครื่องร้อยรัตเพราะตันหาย่อมร้อยรัตสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกขมสุขเวทนานั้นไวเพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ย่อมทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายนามเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางตันหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตันหาย่อมร้อยรัดนามรูปและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้ธรรมที่ควรกาหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายอายตนะภายในหก เป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอยายตนะภายนอ ก, กเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่้ำกลางตันหาจะเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะตันหาย่อมร้อยรัดอยายตนะภายใน6อยนายตนะภายนอกหกและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิง่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ เมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ย่อมทำที่สุดแห่งทุก์ได้ในปัจจุบันเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเทระทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายสักกายะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดสักกายะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความดับสักกายะอยู่ท่ามกลางตัณหาจะเป็นเครื่องร้อยรัด เพราะตัณหาย่อมร้อยรักส ก, กายะเหตุเกิดส ก, กายะและความดับส ก, กายะนั้นไวเพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุชื่อว่ารู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ย่อมทาที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบัน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 ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ น, นั้นภิกษุเทระทั้งหลายรับคำของภิกษุนั้นแล้วลำดับนั้นภิกษุเทระทั้งหลายได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลคำสนทนาทั้งหมดแต่พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครหนอก่าวได้ไพเราะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหมดกล่าวดีแล้วตามเหตุนั้นๆแต่ข้อความที่เรามุ่งกล่าวไว้ในติสะเมตยะปัญหานิเทศปารยณะวักว่าผู้ใดรู้ชัดซึ่งส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้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 ปริสินทริ ย, ยา น, นสูตรว่าด้วยยานเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเจริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมของแคว้นโกศลชื่อท ak ันทกับปะกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงแวะลงจากขนทางประทับนั่งบนพุทธาที่ปูราดไว้แล้ว ณโคนไม้ต้นหนึ่งและภิกษุเหล่านั้นได้พากันเข้าไปสู่นิคมชื่อทันทะกัปปกะเพื่อสแสวงหาที่พักครั้งนั้นท่านพระอานน์พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ไปยังแม่น้อาอจิรวดีเพื่อสงน้าครั้นสงน้าเสร็จแล้วได้ขึ้นมานุ่งผ้าผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาท่านพระอานน์แล้วถามว่า ท่านอานนนพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุทั้งหมดด้วยพระไทยแล้วหรือจึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดํารงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุบางอย่างเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตเช่นนี้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 เพื่อส่งน้ำครั้นส่งน้ำเสร็จแล้วได้ขึ้นมานุ่งผ้าผืนเดียวยืนพิงตัวอยู่ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ามาหาฆ่าพระองค์แล้วถามว่าท่านอานน์พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุทั้งหมดด้วยพระทัยแล้วหรือจึงทรงพยากรพระเทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้หรือว่า พระผู้มีพระภาคทรงกําหนดรู้เหตุบางอย่างเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรพระเทวทัตเช่นนี้เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าผู้มีอายุข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรไว้อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ภิกษุรูปนั้นคงเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานหรือว่า เป็นภิกษุเทระแต่งโง่เขลาไม่เฉียบแหลมเพราะข้อที่เราพยากรว่าเป็นหนึ่งจากเป็นสองได้อย่างไรอานนท์เราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนหนึ่งซึ่งเรากาหนดรู้เหตุทั้งหมดด้วยใจแล้วจึงพยากรอย่างนี้เหมือนเทวทัตเลยตราบใดเราเห็นทำฝ่ายขาวของเทวทัตแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนสายตราบนั้นเราก็ไม่พยากรเทวทัตว่า เทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้แต่เมื่อเราไม่เห็นธรรมฝ่ายขาวของเทวทัตแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายเมื่อนั้นเราจึงพยากรณ์เทวทัตนั้นว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนหลุมคูดเลึกชั่วคนเต็มด้วยคูด เสมอขอปากหลุมบุรุษพึงตกลงไปที่หลุมคูดนั้นจมมิศีษะบุรุษบางคนหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังความปลอดภัยใครจะยกเขาขึ้นจากหลุมคูดนั้นจึงเข้ามาหาเขาเดินรอบหลุมคูดนั้นอยู่ก็ไม่เห็นอวัยวะที่ไม่เปื้อนคูดแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายซึ่งพอจะจับยกขึ้นมาได้ชั้นใดเราก็ชั้นนั้นเหมือนกัน เมื่อใดไม่ได้เห็นทำฝ่ายขาวของเทวทัตแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนสายเลยเมื่อนั้นเราจึงพยากรณ์เทวทัตว่าเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกดำรงอยู่ตลอดกับแก้ไขไม่ได้ถ้าเธอทั้งหลายพึงฟังตถาคตเราจะจำแนกยานเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลท่านพระอณนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้เป็นการที่สมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่สมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงจำแนกยานเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ท่นพระอานนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนหนึ่งเรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แหลมีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลนี้แหลหายไป กุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนแต่กุศลลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลลมูลนั้นกุศลธรรมของเขาจะปรากฏบุคคลนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการฉนี้เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมแดดแผดเผาที่คาดพันไว้เก็บไว้อย่างดีซึ่งบุคคลปลูกไว้ในที่ดินอันพรวนดีแล้วในนาดี เธอทราบไหมว่ามเมล็ดพืชเหล่านี้จกเจริญงอกงามไพ่บู์ท่านพระอานุนทูลรับว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนุ์เช่นเดียวกันเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แลมีอยู่สมัยต่อมา เรากาหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลนี้แหลหายไปอากุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนแต่กุศลมมลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลโมลนั้นกุศลธรรมของเขาจากปรากฏบุคคลนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการชนี้ตถาคตกาหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลอย่างนี้แล กำหนดใจด้วยใจจึงรู้ยานเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลอย่างนี้แหลกำหนดใจด้วยใจจึงรู้ธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้แหล 2. เรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แหลมีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่า อากุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไปกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนแต่อากุศลมมลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมมลนั้นอากุศลมมลของเขาจะปรากฏบุคคลนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการชนีเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมและแดดแผดเผาที่คัดพันไว้เก็บไวอ้อย่างดี ซึ่งบุคคลปลูกไว้บนศิลาแท่งทึบเธอทราบไหมว่าเมล็ดพืชเหล่านี้จะไม่เจริญงอกงามไพริบุญท่านพระอานนทูลรับว่าทราบพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนเช่นเดียวกันเรากาหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แลมีอยู่ สมัยต่อมาเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไปแล้วกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนแต่อากุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมูลนั้นอกุศลธรรมของเขาจะปรากฏบุคคลนี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการอย่างนี้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 เรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าทํามขาวแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายของบุคคลนี้ก็ไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยอกุศรลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมและแดดแผดเผาซึ่งบุคคลปลูกไว้ในดินที่ปรนดีแล้วในนาดี เธอทราบไหมว่ามเมลพืชเหล่านี้จักไม่เจริญงอกงามไพบู์ท่านพระอานนทูลรับว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เช่นเดียวกันเรากาหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แหละมีอยู่สมัยต่อมาเรากาหนดใจด้วยใจ จึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าทำขาวแม้ท่ารอยเจาะแห่งปลายขนสายของบุคคลนี้ก็ไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกท ถ, ถาคตกำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลอย่างนี้แหละกำหนดใจด้วยใจจึงรู้ญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลอย่างนี้แหล กำหนดใจด้วยใจจึงรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้แหลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถที่จะบัญญัตบุคคลอีกสามจำพวกที่มีส่วนเหมือนกับบุคคลสามจำพวกนี้หรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนเราสามารถ เรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แลมีอยู่สมัยต่อมาเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปแล้วอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ แม้กุสลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นทั้งหมดบุคคลนี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการะชนี้เปรียบเหมือนฐานไฟที่ลุกโผลงรุ่งโรดโชดช่วงซึ่งบุคคลวางไว้บนศิลาก้อนใหญ่เธอทราบไหมว่าถานไฟเหล่านี้จกไม่ลุกลามขยายกว้างออกไปท่านพระ อ, อ น, นุทูลรับว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อาโ น, น์เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์ตกไปในเวลาเยน็นเธอทราบไหมว่าความสว่างหายไปความมืดปรากฏขึ้นท่านพระอาโนนทูลรับว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์อีกในหนึ่งเปรียบเหมือนในเวลารับประทานอาหารในเวลาเที่ยงคืนเธอทราบไหมว่าความสว่างหายไปความมืดปรากฏขึ้น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 หากุศลธรรมปรากฏขึ้นแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่แม้กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นทั้งหมดบุคคลคนนี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการฉะนี้ตถาคตกำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลอย่างนี้แหละกำหนดใจด้วยใจจึงรู้ญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลอย่างนี้แหละกำหนดใจด้วยใจ จึงรู้ทำที่อาศัยเกิดเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้แหละห้าเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แหละมีอยู่สมัยต่อมาเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปแล้วกุศลธรรมปรากฏขึ้น แต่อกุลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่แม้อกุลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นทั้งหมดบุคคลนี้ก็จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนฐานไฟที่ลุกโผลรุ่งโรดโช่ช่วงซึ่งบุคคลวางไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนกองไม้แห้งเธอทราบไหมว่าฐานไฟเหล่านี้จากลุกลามขยายกว้างออกไป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 อกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แลมีอยู่สมัยต่อมาเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปแล้วาอากุศลธรรมปรากฏขึ้นแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่แม้อกุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นทั้งหมดบุคคลนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาด้วยประการอย่างนี้ ตถาคตกําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลอย่างนี้แหลกําหนดใจด้วยใจจึงรู้ญาณเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลอย่างนี้แหลกําหนดใจด้วยใจจึงรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้แหล 6. หกเรากําหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้แม้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แหลมีอยู่ สมัยต่อมาเรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนทรายของบุคคลนี้ก็ไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียวจากปรินิพานในปัจจุบันแน่นอนเปรียบเหมือนฐานไฟที่เย็นดับแล้วซึ่งบุคคลวางไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนกองไม้แห้งเธอทราบไหมว่า ฐานไฟนี้จะไม่ลุกลามขยายกว้างออกไปท่านพระอาโนนทูลรับว่าทราบพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาโนนเช่นเดียวกันเรากำหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลบางคนในโลกนี้อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอากุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้แหลมีอยู่สมัยต่อมา เรากาหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลนั้นอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมแม้เท่ารอยเจาะแห่งปลายขนสายของบุคคลนี้ก็ไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียวจากปรินิพพานในปัจจุบันแน่นอนกาหนดใจด้วยใจจึงรู้บุคคลอย่างนี้แหลกกาหนดใจด้วยใจจึงรู้ยานเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลอย่างนี้แหล กำหนดใจด้วยใจจึงรู้ธรรมที่อาศัยเ ก, เกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้แหลอานน์บรรดาบุคคลหจจำพวกนั้นบุคคลสามจำพวกแรกคือคนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้เสื่อมเป็นธรรมดาอีกคนหนึ่งเกิดในอบายและตกนรกบรรดาบุคคลหจจำพวกนั้นบุคคลสามจำพวกหลังคือ คนหนึ่งเป็นผู้เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาอีกคนหนึ่งจากปรินิพานเป็นธรรมดาปุริสินตริ ย, ยาณสูที่8จบ